วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2563วันนี้เราจะมีการแสดงธรรมอยู่สองภาคด้วยกันภาคภาษาไทยกับภาคภาษาอังกฤษ ชั่วโมงแรกคือบ่ายตั้งแต่สองโมงไปถึงประมาณสามโมงจะเป็นช่วงภาษาไทยช่วงภาษาไทยนี้ก็ไม่แน่ว่าจะมีเวลาให้กับการตอบคำถามหรือไม่ถ้าพูดยาวก็อาจจะไม่มีเวลาถ้าพูดไม่ยาวมากถ้ามีเวลาเหลืออยู่ก็ จะใช้เวลาที่เหลือตอบคำถามไปจนถึงเวลาบ่ายสามโมงหลังจากบ่ายสามโมงไปแล้วก็จะตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเพราะมีชาวต่างชาติส่งคำถามเข้ามาเป็นระยะระยะพอรวบรวมคำถามได้พอประมาณก็ นำมาตอบกันสักครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งการแสดงทำแบบสดๆแบบนี้ก็จะแสดงทุกสี่วันด้วยกันยกเว้นเดือนนี้มีวันวิสาขะคือวันที่หกที่จะถึงนี้ก็มีเพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งปกติก็จะทุกสี่วัน คือสี่แล้วก็8ดแล้วก็สิบสองสิหไปตามลำดับแต่เดือนนี้วันที่หกเป็นวิสาขาบูชาก็จะมีการพูดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันในวันที่หกที่จะถึงนี้การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะ จะทำให้เราฉลาดให้ผู้ศึกษาผู้ฟังได้เรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่รู้แล้วก็อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับเรื่องที่พวกเราไม่รู้กันคืออะไรก็คือเรื่องที่ เรามาเกิดกันทำไมมีใครรู้บ้างไหมว่าเรามาเกิดกันทำไมมาเกิดเราก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงทองหาเงินหาทองมาย่างชีพแล้วพอมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปหาความสุขกัน ซื้อข้าวซื้อของทำอะไรต่างๆที่อยากจะทำนอกกนั้นก็ไปมีครอบครัวไม่มีสามีมีภรรยามีบุตรมีที่ดาแล้วก็ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ พอสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้มีกำลังมีฐานะดีก็ไปหาเงินทองมาเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าอยากจะมีอำนาจวาสนาก็ไปหาตำแหน่งอะไรต่างๆไปเป็นผู้บริหารของประเทศในระดับต่างๆ ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเึ้นไปในอำเภอผู้ว่าแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นผู้แทนราศดรนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราที่มาเกิดกันมาทำกัน ก็ได้สุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปแล้วสิ่งต่างๆที่หามากันได้แทบเป็นแทบตายก็สูญหายไปหมดส่วนผู้ตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนจะมีการไปไหนต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณหรือไม่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณก็คิดว่าพอร่างกายตายแล้วชีวิตของตนก็สิ้นสุดลงไม่มีอะไรตามมาต่อไปในเมื่อร่างกายเป็นตัวตนเป็นตัวเราเมื่อร่างกายมันสิ้นสุดลง เราก็ต้องสิ้นสุดลงไปกับร่างกายนี่คือความเห็นของผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณส่วนอีกพวกหนึ่งนี้มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณเชื่อว่าจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตนี้มาเกาะกับร่างกาย ตอนที่มีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาแล้วก็พอร่างกายคลอดออกมาเจริญเติบโตก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปทำมาหากินไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆ โลกนี้ก็เชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตวิญญาณนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณไปแล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะไปสูงไปต่ำไปสุขไปทุกข์ ไปดีไปชั่วก็ขึ้นอยู่กับอำนาจของบุญบาป ท, ที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่คือความเห็นของพวกที่เชื่อในเรื่องจิตเวิ ญ, ญาตพวกที่มีความเชื่อในเรื่องของจิตตเวิ ญ, ญาตก็จะคิดถึงเรื่องการทำบุญคิดถึงเรื่องการทำบาปก็จะพยายามทำบุญ เพราะเชื่อว่าบุญนี้จะนําความสุขความสบายมาให้กับจิตตวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะพยายามไม่ทําบาปเพราะถ้าทําบาปแล้วจิตตวิญญาณก็จะทุกข์ยากลาบากที่ของจิตตวิญญาณหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วก็เป็น โลกทิพย์นี้เองที่อยู่ของจิตวิญญาณโลกทิพย์นี้ก็มีส่วนที่มีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆสีกที่มีแต่ความทุกข์ก็เรียกว่าอบายผู้ที่ทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปรับผลบาปในอบาย ผู้ที่ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะไปอยู่ในสีของสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆจนกว่าอำนาจของบุญและของบาปนี้บทกำลังลงก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมา เป็นมนุษย์ใหม่มาทำมาหากินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาดิ้นรนต่อสู้มาหาความสุขกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกรอบหนึ่งนี่คือความเชื่อของพวกที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณว่าตายแล้วไม่สู์ตายแล้วยังจะต้องไปต่อ ไปอำนาจของบุญด้วยของบาปแล้วพอพ้นจากอำนาจของบุญของบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำอย่างเดิมอีกนี่คือความเชื่อของพวกที่เชื่อในเรื่องจัติญญาณในระดับที่เรียกว่าพุตุชนคือ ผู้ที่ไม่รู้ว่าจิตเวิญญานี้สามารถพัฒนาให้ขึ้นสูงกว่าระดับของปุถุชนได้คือระดับของพระอริยบุคคลเรื่องของระดับของอริยบุคคลนี้ก็ต้องรอให้มีคนฉลาดมาค้นพบเรื่องระดับ จิตของพระ อ, อริยบุคคลบุคคลนั้นก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆมาจนแก่กล้าพอที่จะมองทะลุเมฆหมอกของโมหะอวิชชาที่ปิดบังไม่ให้เห็นระดับจิตของพระ อ, อริยบุคคลก็จะ ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาผู้ที่รู้ว่าจิตนี้นอกจากระดับพุทุชนที่เวียนว่ายตายเกิดในไตาพบแล้วนี้ยังมีจิตที่สูงกว่าจิตที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายพบคือจิตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาาระอรหันต์นี่คือระดับจิตของพระอริยบุคคลที่อยู่สูงกว่าระดับจิตของปุถุชนเพราะว่าเป็นจิตที่สามารถหลุดออกจากการดึงดูดของ วัตะสงสารของไตรยพของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกไปตามขั้นตามลำดับขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระสุดาบันท่านก็หลุดภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากท่านยังไม่ได้หลุดทันทีทันใดท่านเริ่มหลุดออกมาท่านได้ลด โอกาสที่จะกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากแล้วพอท่านยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับที่สองของพระอริยบุคคลคือขั้นพระสกิดาคามีจิตของท่านก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบเพียงชาติเดียว แล้วพอยกระดับจิตขึ้นสู่ขั้นที่สามได้จิตก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาภพแต่จะไปเกิดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพแล้วพอได้ขั้นที่สีคือขั้นพระอารหรันจิตก็จะหลุดออกจากตายภพอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามาภพ ในรูปภพและในอรูปภพอีกต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอาหารตสาคกทั้งหลายนี่คือระดับจิตที่ทระดับทุกที่จิตทุกดวงสามารถที่จะยกระดับพัฒนาให้ขึ้นไป จากระดับปุถุชนให้ขึ้นไปสู่ระดับ <c oughs> อริยบุคคลได้แต่การที่จะขึ้นไปได้นี้ต้องมีผู้บอกทางต้องมีผู้มาตัดสัตว์อริยธรรมคืออริยสัจสี่ที่จะเป็นเครื่องมือที่จะ <c oughs> ปลดปลื้งจิตของปุถุชนนี้ ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของตายพบได้ก็จะหลุดไปเป็นขั้นๆ ข, ขั้นโสดาขั้นสกิดาคาขั้นอนาคาและขั้นอรหันต์ตามลำดับของการปฏิบัติอันนี้ต้องมีศาสนาพุทธมีพระธรรมคำสั่งคำสอน มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ <c oughs> ชี้บอกทางถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ <c oughs> ก็จะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตวิญญาณของตนนี้จะหลุดออกจากไัพภพได้อย่างไรแต่พอได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงสาวกองค์ใดองค์หนึ่งก็จะสามารถเรียนรู้วิธีที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สำหรับผู้ที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา อย่างพวกเรานี่พวกเราจรึงมีคำตอบของคำถามที่ยากต่อการหาคำตอบว่าเกิดมาทาไมถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่หาคำตอบไม่ได้ก็จะต้องทำไปตามอยู่ไปทำไปตามความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนก็ คือการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆแต่ก็หาได้ในกรอบจำกัดในกรอบของความสามารถของร่างกายพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขได<ม>้ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องเจอกับความทุกข์ดังนั้นเมื่อเห็นความเป็นจริงของชีวิตเราว่าถ้าเกิดมาแล้วถ้ามามีร่างกายนอกจากจะมีความสุขได้ผ่านทางร่างกายแล้ว ก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาด้วยทุกคนไม่ว่าจะเกิดมารวยหรือจนเกิดมาใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตา่างทุกคนจะต้องเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักกันและต้องมาทุกขกับภัยต่างๆที่คอยมา ังควานคอยมารุกรานให้จิตใจและร่างกายนี้ต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆดังนั้นการมาเกิดนี้จึงเป็นการมาเจอความทุกข์มาหาความทุกข์กันผู้ที่ไม่อยากจะเจอความทุกข์นี้ก็รู้ว่าต้องไม่มาเกิดเท่านั้น คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเห็นด้วยปัญญาของท่านแล้วว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายผัดผรากกันนี้เป็นทุกข์ถ้าเกิดแล้วต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดผ่า ก, กันทุกคนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้น นี่ก็คือก็เลยจะได้คําตอบจากพระพุทธศาสนาว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อดับทุกขนั่นเองการจะดับทุกขก็คือต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเองนี่แหละคือคําตอบของคําถามที่คนบางคนอาจจะถามอยู่ว่าเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไป ทำอะไรได้มากได้น้อยเท่าไหร่พอตายไปก็หายไปหมดแล้วตายแล้วก็ไม่รู้จะจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณก็คิดว่าตายแล้วก็ศูนย์จบผู้ที่เรื่องเชื่อเรื่องจิตวิญญาณก็เชื่อว่าไปต่อไปสวรรค์ไปนรกตามอำนาจของบุญของบาศ แต่ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมว่าตายไปแล้วนี่ไม่สูญตายไปแล้วนอกจากการไปนรกหรือไปสวรรค์ยังมีที่ไปอีกที่หนึ่งคือพระนิพพานที่ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับจิตวิญญาณของของสัตว์โลก ทุกชนิดถ้าดาบใดยังมีการเกิดอยู่ในตายพบอยู่ดาบนั้นก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายอยู่เสมอแต่ถ้าสามารถที่จะหลุดออกจากตายภพได้สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้จิตก็จะไม่ต้องกลับมาเจอกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ดังนั้นถ้าศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้คําตอบว่าการมาเกิดนี้ก็เพื่อมาหยุดการเกิดนี้เพราะการเกิดเป็นทุกข์ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีทุกข์ถ้ายังหยุดการเกิดไม่ได้ก็จะต้องเจอความทุกข์ไปเรื่อยๆพอตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่อีก แต่ว่าจะเกิดช้าเกิดเร็วก็อยู่ที่บุญที่บาปได้ทําไว้ว่าทําได้บ้างทำไว้มากหรือน้อยต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วถึงจะกลับมาเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกกับภัยต่างๆทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปแต่ถ้า ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้รู้จักวิธีที่จะทำให้ดวงวิญญาณคือจิตใจไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนะรู้ว่าวิธีที่จะทำให้การไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ทำอย่างไรก็คือต้องทำลายเหตุที่ดึงให้ จิตวิญญาณกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเหตุที่ดึงให้จิตวิญญาณกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาสามประการด้วยกันเรียกว่ากามากตัณหาความอยากในกามก็จะดึงจิตตวิญญาณให้มาเกิดในกามพบภาวะตัณหาความอยากมีภาวะที่สงบสุข ก็จะเดินจิตตวิญญาณให้มาเกิดในรูปภพวิภาวะตัณหาความอยากที่มีความสุขโดยไม่มีอะไร <c oughs> ก็จะทำให้จิตตวิญญาณกลรมาเกิดในอรูปภพมีสามภพด้วยกันในใต้ภพการที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดในใต้ภพนี้ก็ต้องทำลายตัณหาทั้งสามนี้ ให้ออกไปจากใจได้และเครื่องมือที่จะทำรลายนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเป็นเวลาอันยาวนานที่เรียกว่าบารมีสิบนะพระโพธิสัตว์นี้คนที่ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดและไม่มีใครสอนต้องไปสร้างบำเพ็ญบารมีด้วยตนเอง ในแต่ละภพแต่ละชาติที่มาเกิดอย่างที่เราคงได้ยินเรื่องพระพระเจ้าสิบชาตินี่คือชาติต่างๆที่ได้ทรงที่พระโพธิสัตว์ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ได้ทรงบำเพ็ญบารานมีชนิดต่างๆเช่นไปเกิดเป็นพระมหาชนกก็ต้องบำเพ็ญวิริยะบารามี ไปเกิดเป็นพระเวชสันดรก็บำเพ็ญทานบารมีดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญมาเพราะถ้ามีบารมีครบสิบ ป, ประการ บามีเหล่านี้จะมีอำนาจที่จะมาทำลายความอยากทั้งสามประการความอยากที่จะดึงจิตใจให้มาเกิดในไตรภได้ความอยากในกามความอยากมีความสุขแบบจากความสงบความอยากมีความสุขจากความสงบที่เกิดจากความว่างเปล่าอันนี้ ต้องทำลายมันด้วยบารมีต่างๆดังนั้นคำตอบของชีวิตก็คือเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหยุดการเกิดและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องสร้างบารมีจึงเป็นที่มาของคนต่างๆที่สร้างบารมีกันคนบางคนก็สร้างเมตตาบารมีบางคนก็สร้างทานบารมี บางคนก็สร้างศีลบาลมีบางคนก็สร้างนิคัมมะบาลามีบางคนก็สร้างอุเบกขาบารมีบางคนก็สร้างปัญญาบาลมีนี่คือบารามีต่างๆที่จะต้องสร้างขึ้นมาให้สมบูรณ์เพราะถ้าได้บารมีเหล่านี้แล้วก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยาก ทำลายความอยากทั้งสที่เป็นตัวที่คอยหดึ่งจิตใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายในไตาพบอยู่เรื่อยๆได้และการที่จะสร้างบรารมีเหล่านี้ได้ก็จำเป็นจะต้องมีบา ร, รมีสนับสนุนเครื่องมือสนับสนุนคืออธิษฐานบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมี และขันติบารมีถ้าไม่มีเครื่องมีเหล่านี้ก็จะไม่มีกำลังที่จะไปสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีและบารมีอื่นๆได้จำเป็นจะต้องมีอธิษฐานก่อนอธิษฐานคืออะไรคือความตั้งใจหรือความตั้งเป้าหมายของชีวิต ชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีต่างๆต้องตั้งเป้าหมายไว้จะตั้งเป้าหมายจะสร้างทานบารมีก็เช่นจะใส่บาตรทุกวันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างสร้างสร้างสร้างตั้งเป้าหมายเพื่อจะสร้างบารมีต้องมีความตั้งใจก่อนถ้าไม่มีความตั้งใจก็จะ ปล่อยให้ใจไหลไปตามความอารมณ์ความรู้สึกนึคิดวันไหนอยากจะใส่บาตรก็ใส่วันไหนไม่อยากจะใส่บาตรก็ไม่ใส่บางวันขี้เกียจบางวันไม่อยากจะลุกขึ้นมาใส่บาตรก็ไม่ใส่แต่ถ้ามีอธิษฐานมีความตั้งใจว่าจะขอใส่บาตรทุกวนันทุกวันยกเวน้นไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวใส่หรือเจ็บไข้ได้ป่วย คือถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยนี้ทำไม่ได้เท่านั้นแต่ถ้าทำได้นี้จะต้องทำให้ได้นี่คือเป้าหมายของของการสร้างบารมีเราต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาในใจของเราว่าต่อไปนี้เราจะทาเราจะสร้างบารมีชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาแล้วการที่จะทำให้การตั้งเป้าหมายของเราไม่ล้มเหลว เราก็ต้องมีสัจจะบารมีสัจจะก็คือความจริงใจไม่หลอกลวงตัวเองไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทำเป็นลืมไปบางทีถึงเวลาใส่บาตรลืมไปนี่แสดงว่าไม่มีความจริงใจพอตั้งแล้วลืมก็เหมือนกับไม่ได้ตั้งก็จะไม่ได้ทำไม่ได้สร้างบารมีตามที่ควรจะ สร้างกันเน้นผู้ที่จะสร้างบรารมนีนี้นอกจากต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจเพื่อที่จะได้ทําให้การตั้งอธิษฐานนี้แน่วแน่มันคงไม่ล้มเหลวเนีเรามักจะได้ยินคำสองคานี้ไปควบคู่กันตั้งสัจจะอธิษฐา น, า น, นต้องมีสัจจะ ในการตั้งอธิษฐานของเราว่าจะทำอะไรก็ต้องทำตามที่ได้ตั้งไว้ถึงจะเรียกว่าสัจจะถ้าตั้งแล้วถึงเวลาเปลี่ยนใจเช่ น, นขอเอาเงินนี้ไปเที่ยวก่อนวันหลังค่อยมาใส่บาตในวันหลังเปลี่ยนใจถ้ามีสัจจะแล้วไม่เปลี่ยนใจ ตั้งแล้วต้องทําตามที่ตั้งใจไว้เหมือนคนบางคนเนี่ยเวลาไปบนบานอะไรกับพระนี่ก็เหมือนกันถ้าหายจากโรคภัยแค่เจ็บจะมาบวชสามเดือนพอหายแล้วลืมหรือว่าขอผ่อนนะสิขอขอต่อรองทีหลังแลวาขอขอบวชทีละอาทิตย์ได้ไหมผ่อนส่งได้ไหม เ, เวลาตั้งสัจจะเราพูดอย่างนั้นไหมหรือเปล่าว่าจะขอผ่อนส่งหรือว่า จะบวชสามเดือนแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆมาขอผ่อนสงขอบวชเป็นผ้าขาวแทนได้ไ้ยไม่บวชเป็นผ้าได้ั้ยก็เรื่องของคุณอ่ะคุณเป็นคนตั้งเงื่อนไขเองแล้วคุณไปเปลี่ยนเงื่อนไขคุณก็ไม่มีสัจจะคุณก็โกหกหลอกลงตัวเองอย่างนี้คุณก็จะทำอะไรไม่สาเร็จฉะนั้นเวลาคุณตั้งสัจ ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้วคุณต้องทาตามเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้เนี่ยเรียกก็การมีสัจจะเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพเนียพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานเอธิษฐานไม่ได้ขอให้ตัดสรุอธิษฐานว่าขอให้ภาวนาจเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาจนกว่าจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาจนกว่าจะ ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ถ้ายังไม่บรรลุถ้าร่างกายเลือดในร่างกายมันจะเหือดแห้งก็จะปล่อยให้มันเหือดแห้งไปแต่จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอนอนขานจะลุกก็ต่อเมื่อได้พบสิ่งที่ต้องการแล้วคือได้ตัดสินุถึงพระนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วเท่านั้น นี่แหะคืออำนาจของสัจจะอธิษฐานถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานชีวิตเราก็จะโลเลไปเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือสังเกตดูถ้านั่งเรือไม่มีหางเสือเราก็จะบังคับมันไม่ได้ไม่มีหางเสือไม่มีพายไว้คอยบังคับมันก็จะไหลไปตามกระแสนา้าแต่ถ้าเรามีหางเสือมีพาย เราก็สามารถบังคับให้เรือไหลไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ถึงแม้จะย้อนทวนกระแสของกระแสน้ำก็ยังทำได้แต่ถ้าไม่มีหางเสือไม่มีพายไว้คอยบังคับเรือเรือก็จะต้องไหลไปตามกระแสน้ำจันดใดใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีสัจจะอธิษฐานใจก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์ ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้เวลาอารมณ์ดีโอ้ยก็ทำดีกันเวลาอารมณ์ร้ายก็ทำเรื่องราวต่างๆให้วุ่นวายไปหมดอันนี้ก็จะไม่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทำบุญบ้างทาบาปบ้างยังเวียนวาย่ายังสลับกันไปสลับกันมาอยู่ก็จะไม่มีทางที่จะออกจาก ตายพบไปได้จะออกจากตายพบไปได้นี้ต้องทำความดีอย่างเดียว10บประการหกประการด้วยกันคือเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีนิขัมบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีตามลำดับด้วยเพราะบารมีเหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบันไดมีความยากง่ายต่างกันและต้องพึ่งพาอาศัยกัน บารมีอันแรกที่ต้องทำก่อนที่เราจะทำบารมีเหล่านี้นอกจากมีอธิษฐานสัจจะแล้วก็ต้องมีวิทยะความวามขยันหมัน่นเพียรพอตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วแต่ทำแบบทำแบบทีละทีละเล็กทีละน้อยไม่มีความขยันอันนี้ก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะเดี๋ยวตายก่อน ต้องมีวิริยะมีความเพียรบางท่านเพียรแบบในสัจชิเลยถือถือสามอิริยาบถเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดไม่อยากจะเสียเวลาให้กับการหลับนอ น, นการถือสามอิริยาบถนี้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะว่าถ้าเอ็นหลังนอนแล้วเดี๋ยวมันหลับยาว ก็ขอหลับอยู่ในท่าท่านั่งท่าเดินหรือท่ายืนนี้มันก็จะหลับไม่นานถ้านั่งหลับเดี๋ยวคอพับสักพักมันก็มั่วไอคอนะเดี๋ยวมันก็ต้องตื่นขึ้นมาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องลุกต้องตื่นนะแต่ถ้านอนนี่มันยาวห้าหชั่วโมงเจ็ดแดชั่วโมงได้สําหรับผู้ที่มีวิริยะบาลต้องมีวิริยะบารเมนี้จะเร่งความเพียนตลอดเวลา เพราะเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้จะมีเหตุการณ์ที่จะมาทำลายชีวิตนี้ในอนาคตนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะมีอะไรมาอย่างโรคระบาด ท, ที่มีในตอนนี้ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีมากันอยู่ดีๆมันก็มาหาเรากันดังนั้นถ้าคนที่ไม่ประมาทก็จะเล่นความเพียรอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องมีวิริยะบาลมีสนับสนุนสัจจะกับอธิษฐานบาลมีแล้วนอกจากวิริยะบาลมีแล้วเวลาเร่งความเพียรมันก็จะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับความทุกข์ยากลําบากก็ต้องมีขันติบาลมีมาช่วยถ้าไปเจอกําแพงมันไม่มีขันติที่จะเอาหัวชนกําแพงไม่มีความอดทนก็หยุดชะ ง, งักอยู่ตรงนั้นไปไม่ได้ แต่ถ้ามีขันติมีความอดทนเดี๋ยวก็ฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางกันได้เพราะถ้ามีความอดทนแล้วจะไม่มีคําว่าถอยจะไม่มีคําว่ายอมแพ้จะสู้ไม่สู้ไม่ถอยนั่นเองนี่คือผู้ที่จะสร้างบารมีต่างๆนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสี่ชนิดนี้เป็นเครื่องมือใช้บารมีสี่ชนิดนี้ คืออธิษฐานบารมีตั้งเป้าศัจจบารมีความจริงใจกับการตั้งเป้าวิริยะบารมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทําตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ขันติบารมีมีความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากที่เป็นอุปสรรคขวางการดำเนินพอมีบารมีทั้งสี่นี้แล้วก็สามารถที่จะเจริญ เมตตาบารมีได้ศีลบะทานบารมีได้ทําไมจเจริญเมตตาบารมีก่อนเพราะว่าเมตตาบารมีนี้เรามีกันอยู่แล้วในใจในในใจของพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่าเมตตาของเรายังไม่ครอบคุมเท่านั้นเองยังเป็นเมตตาแบบเลือกอยู่คนไหนที่เรารักเราชอบเราเมตตาเขาแต่คนไหนที่เราเกลียดเราชังนี่เราเมตตาไม่ออก ยันเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้เท่านั้นเองส่วนที่เรามีแล้วเราก็ทำต่อไปเราก็มีความเมตตากับคนที่เราลักคนที่เราชอบอยู่แล้วยันการสร้างเมตตามันไม่ยากเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องขยายให้มันกว้างออกไปต้องเมตตาคนที่เราไม่ชอบให้ได้เช่นคนที่ทาให้เราโกรธทาให้เราเสียใจเราก็ต้องใช้การให้อภัยคือการไม่จองเวร เป็นการทำให้เราสามารถแผ่เมตตาให้กับเขาได้ถ้าเรายกโทษให้เขาได้ไม่จองเวรจองกรรมเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขาเราก็จะมีความเมตตากับเขาได้ถ้าเขาเช่นตอนนี้ตกทุกข์ได้ยากลาบากเราก็ถึงแม้ว่าจ ะ, ะเขาอาจจะทำอะไรให้เราโกรธให้เราเสียใจแต่เราให้อภัยเขา แล้วเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาให้ความสุขกับเขาอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เราทากันเพราะมันไม่ต้องมีอะไรมันมีอยู่ในใจของเราแล้วเรามีเมตตาอยู่แล้วเพียงแต่พัฒนาหรือขยายให้มันใหญ่โตขึ้นให้มันกระจายไปเป็นสัพเพสัตตาให้ได้สัพเพสัตตาแปลว่าอะไรสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง สัตว์ไม่หมายถึงสัตว์เดรัจฉานหมายถึงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในไตพบก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิดเทวดาก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งพรมก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งพระอริยบุคคลยกเว้นพระอรหันต์ก็ยังเป็นสัตว์อย่างหนึ่งอยู่หรือมนุษย์ก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งพวกพูดผีปีศาจเปรตผีต่างๆก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่ง เราต้องแผ่เมตตาให้สัตสรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าสัพเพสัตตาเจอสัตสุนัขเจอสัตว์เดรฉ า, านก็ให้ความเมตตาเขาถ้าช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาบางทีเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากเช่นไปปล่อยนกปล่อยปลานี่ก็เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเจริญเมตตา บารมีสัพเพสัตตาไม่เลือกเฉพาะทำกับคนที่เรารักทำกับคนที่เป็นลูกเราเป็นครอบครัวเราแต่เราทำกับคนที่เขาเดือดร้อนหรือทำกับศัตรูของเราคนที่เราเคยเกลียดเขาเราก็เปลี่ยนเสืย้ยยกอาภัยให้เขาไปแล้วพอมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปให้ความเมตตากับเขาก็ไป เช่นวันเกิดเขาก็ไปเอาของขวัญไปให้เขาซะหน่อยถ้ายังอยู่ร่วมกันยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องพบปะกันก็ให้แผ่เมตตาต่อกันนี่ข้อที่หนึ่งเพราะว่าถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะสร้างข้อที่สองได้คือทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีก็คือการให้การแบ่งปันธรรมดาเราก็จะให้คนที่เรารักเราชอบอยู่ ยินดีมันเกิดคนที่รักนี่ซื้อข้าวซื้อของมาให้เขาซื้อคุกซื้อเค้กมาให้เขาเป่าเพราะเรารักเขาเรามีความเมตตากับเขาแต่ถ้าต่อไปเรามีสัปเพสัตตาเราเมตตากับคนทุกคนสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่จะต้องให้ทานกับผู้ใดเราก็จะให้ได้อย่างไม่มีความรู้สึกตะกิจตะของใจ เราก็จะสามารถทำทานได้อย่างกว้างขวางไม่เลือกจำเพาะเจาะจงบางคนเลือกจะทำทานกับพระทำบุญกับพระแต่ถ้ากับขอทานกับคนยากไร้ก็ไม่ทำเพราะคิดว่าไม่ได้บุญอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการทำทานไม่ว่าจะทำากับใครนี้ได้บุญทั้งนั้นคือได้ความสุขใจ โดยเฉพาะทางแบบที่เราชอบเราชอบสุนัขเราทำกับสุนัขเราเวลาเห็นสุนัขเขาได้รับความสุขจากเราเราก็จะมีความสุขถ้าเราชอบถ่ายชีวิตของปัวควายเราก็ไปถ่ายชีวิตให้กับเขาเวลาเห็นเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาแต่ถ้าเราชอบสร้างโบสก็ไปสร้างโบสก็ได้ เห็นบัวแสวยงามเห็นทินายแล้วมีความสุขใจยิ่มใจก็ทําไปได้ทั้งนั้นนี่คือทานบารมีที่จะตามมาจากเมตตาบารมีถ้าไม่มีเมตตาบารมีมันจะทําไม่ออกมันเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เกลียดสิ่งนั้นเกลียดสิ่งนี้มันก็ไม่ทำเลยแต่พอมีเมตากับสรรพสัตว์แล้วไม่เกลียดใครไม่ชังใคระ คิดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าเป็นนักโทษก็เหมือนเป็นอยู่ในคุกเดียวกัน mm. ก็พอช่วยเหลือกันได้พอให้แบ่งปันความสุขให้กันได้ก็แบ่งกันไปมีมากมีเงินทองมากเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ในกระเป๋ามันก็เป็นกระดาษ mm. แต่พออไปแจกจ่ายคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนมันก็กลายเป็นความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาครับ เป็นบุญขึ้นมาเป็นบารมีขึ้นมายกตัวอย่างบารมีของพระเวชสันดอนท่านก็แจกหมดใครต้องการอะไรเมื่อใครมาขออะไรมีให้มีก็ให้มใหไม่ไม่หวงแม้แต่ลูกก็ให้ด้วยอํานาจของทานบารมีของท่านทําให้ท่านนี้เวลาตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็น เ่าจะโอรสนี่คืออั น, นิสง์ของฐานทําไวแล้วไม่สูญหายมันจะรอเราอยู่ในพบหน้าชาติหน้าถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอกีกภพหน้าชาติหน้าเราจะมีฐานะดีกว่าเก่าเรื่องการเงินการทองนี้จะดีกว่าเก่าเพราะว่าเงินทองที่เราใช้ในการทําบุญทําทานนี้เป็นเหมือนการลงทุนมันจะส่งผลเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่ จนเจ้าชายสิทธัตถะนี่แล้วก็เป็นเป็นเป็นการจะทำให้ไม่ยึดติดด้วยผู้ที่ทำทานนี้จะไม่ยึดติดครับทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมีโอกาสทำทานต่อเมื่อไหร่ก็จะทำต่อมีโอกาสจะต้องสละราชสมบัติเพื่อออกบ่วยก็ทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความหวงไม่มีความรู้สึกเสียดายใน การเป็นเจ้าชายในการมีทรัพสมบัติของเจ้าชายเลยในเมื่อเห็นว่าจาเป็นที่จะต้องไปสร้างบรารมีขั้นต่อไปคือเนกข ม, มบรารมีอุเบขาบรารมีแล้วก็ปัญญาบรารมีคือฐานะของนักบุญนั่นเองพอเราทำทานบรารมีได้แล้วเราจะไม่ยึดติดกับเงินทองแล้วก็จะทําให้เรา จเจริญศีลบา ร, รมีได้เพราะศีลบา ร, รมีนี้เกิดจากใจที่มีความเมตตามีทานนั่นเองก็จะไม่คิดอยากจะเบียดเบียนใครคนที่ทาบุญทำทานนี้จะไม่คิดเบียดเบียนใครเพรางการรักษาศีลก็จะตามมาอย่างง่ายได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดือมสุรายามากเป็นตน้น ก็จะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์ในฐานะของผู้คลองเรือนแล้วถ้าอยากจะเริ่มฝึกหาความสุขแบบนักบวชก็สามารถสร้างบา ร, รมีขั้นต่อไปได้คือเนคขมมะบา ร, รมีคือการออกจากการหาความสุขทางการทางตาหูจมกูกลิ้นกายด้วยการไปถือศีลแปดนั่นเองการถือศีลแปดนี้เรียกว่าเป็นการสร้างเนคขมมะบา ร, รมี ความจริงญาติผู้หญิงที่มาบวชนุ่งขาวห่วมขาวนี้ควรจะเรียกว่ามาบวชเนคขมมะแต่มักจะไม่รู้กันมักจะพูดว่าบวชพราหมณ์กันบวชพราหมณ์ก็เหมือนกันเพราะผู้ที่เจริญเนคขมมะบรมีก็จะได้อา น, นิสงส์เป็นพราหมณ์ก็เรียกว่าบวชพรามความจริงเรียกว่าบวชเนคขมมะเคยละเว้นการหาความสุขจากการเสพกามจากศีลข้อสาม ก็เปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอบรมม จ, จเรียไม่ร่วมหลับนอนกับไข่ทั้งนั้นแล้วก็ไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายก็เอาแค่เชื่องวันก็พอเรื่องของการดื่มการรับประทานอาหารให้กับร่างกายแล้วก็ไม่หาความสุขจากมหรศพบันเธิง์ต่างๆและการเสริมสวยความงามของทางร่างกาย เพราะนี่คือพลัาคมา ม, ามสุขเป็นความสุขที่ได้สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นไกยนี่เพื่อที่จะได้มีเวลาเพื่อที่จะได้ไปสร้างบารมีอีกขั้นหนึ่งคืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีนี่เป็นการทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะมีอุเบกขาบารมีใจจะเป็นกลางใจจะไม่รักไม่ชัง ไม่กลัวไม่หลงจะมีกำลังที่จะฝืนความอยากได้เวลาเกิดความอยากนี่ถ้ามีอุเบกขาบารมีใจจะไม่รู้สึกทรมานใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาเวลาเกิดความอยากแล้วใจจะเด้นรนขึ้นมาทันทีจะรู้สึกบนวดเกียจจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวเศร้าส้อยขึ้นมาทันทีแต่พอไม่ พอมีอุเบกขาบารมีก็จะฝืนความอยากได้หัวใจมีความสุขในตัวเองจากการมีอุเบกขาบารมีเพียงแต่ว่าอุเบกขาบารมีที่ได้นี้ยังเป็นอุเบกขาแบบชั่วคราวอยู่ถ้าออกจากสมาธิมานานๆเข้าอุเบกขาบารมีนี้ก็จะจางหายไปก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพื่อเสริมบารมีใหม่ ถ้าอยากจะทำให้ตัวเบกขานี้ถาวรก็ต้องสร้างบา ร, รมีตัวสุดท้ายก็คือปัญญาบา ร, รมีเพราะถ้ามีปัญญาบา ร, รมีปัญญานี้จะสามารถไปทำลายความอยากได้ทำลายความอยากที่มีอยู่ให้หมดไปได้เพราะความอยากนี้เกิดจากความหลงคือการเห็นความสุขอย่างเดียวในสิ่งที่อยากได้ แต่ไม่รู้ว่านอกจากความสุขที่ได้จากสิ่งที่อยากได้แล้วมีความสุขมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันเปลี่ยนแปลงจากดีก็จะกลายเป็นของไม่ดีไปกลายเป็นของเสียของเน่าไปเช่นอาหารที่รับประทานนี่ถ้าดูอาหารในจานมันก็จะเกิดความอยากรับประทานขึ้นมาแต่พอไปดูอาหารที่กลายเป็นของบูดของเน่าแล้ว เช่นเป็นอุจจาระออกมามันก็จะทำให้ความอยากรับประทานอาหานั้นหายไปได้นี่คือเรื่องของปัญญาบารมีต้องมองอีกแง่มุมหนึ่งมองมุมกลับหรือมองอีกด้านหนึ่งของสิ่งต่างๆที่อยากได้กันว่ามันไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวมันไม่ดีอย่างเดียวมันไม่สวยงามอย่างเดียวต่อไปเมื่อวันเวลาผ่านไปมันจะต้องเปลี่ยนไป มันจะต้องกลายเป็นของไม่ดีไปในที่สุดกลายเป็นของเน่าของเหม็นไปถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นร่างกายก็เป็นซากศพเนี่ยเป็นซากศพก็กลายเป็นของเน่าของเหม็นไปหรือถ้าดูเข้าไปในภายใต้ผิวหนังก็จะเห็นของไม่สวยไม่งามต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี่คืออสุภะเป็นการเจริญปัญญาให้เห็นส่วนที่ไม่ได้ดูหน้าชมของร่างกาย หรือไม่น่ า, นาดูน่าชมของอาหารหรือไม่น่าดูน่าชมของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเวลาซื้อมาใหม่ๆมันสวยงามไปใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็พังรถยนเวลาออกมาใหม่ๆนี่สวยงามวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็พังเนยต้องพิจารณานิจังของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็จะทาให้ ไม่มีความอยากได้อะไรพอรู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหรือหมดไปหรือเปลี่ยนไปแล้วความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปอ น, นี่คือการเจริญปัญญาบารมีเพื่อทําลายความอยากต่างๆที่มาสร้างความหงุดหงิดสร้างความลําคาญให้แก่ใจเป็นตัวที่ดึกให้ใจต้องกลับมาเกิดในการมาพบในรูปรพบและอรูปรพบอยู่เรื่อยๆพอมีปัญญา มาพิจารณาเห็นไตรักษ์ของสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการแล้วมันก็จะทำให้ความอยากหดหายไปการอยากจะได้ความสุขจากการก็หมดไปความอยากจะได้ความสุขจากความสงบจากการนั่งสมาธิก็หมดไปจากจากรูปปัจานก็หมดไปจากเอารูปปัจานก็หมดไปเพราะเป็นความสุขแบบชัว่วคราวทั้งนั้นสู้เอาความสุขแบบถาวรดีกว่า คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากพอใจไม่มีความอยากแล้วใจที่รู้สึกหิวโหยใจที่รู้สึกขาดนู่นขาดนี้มันจะหายไปหมดมันจะกลายเป็นใจที่อิ่มเอิบขึ้นมาตลอดเวลาเป็นใจที่เป็นสุขตลอดเวลาเรียกว่าเป็นปรมังสุขขังเป็นบรลมมสุขตลอดเวลานี่คือ ล้าก็จะเป็นใจที่ไม่หิวไม่ไม่มีความอยากไปเกิดในตายพบอีกต่อไปความไม่มีการมาตัญหาไม่มีภวะตัญหาไม่มีวิภวะตัญหามาคอยดึงใจให้ไปเกิดต่อไปนั่นเองใจที่ไม่เกิดก็เรียกว่านิพพานใจที่อยู่ที่นิพพานนี่เป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นใจของพระพุทธเจ้าหน้าใจของพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลาย นอกนั้นต้องกลับมาเกิดอีกถึงแม้เป็นพระอาริยบุคคลก็ยังต้องกลับมาเกิดเพียงแต่ว่ามีมีกรอบมีเวลาเช่นพระโสดาบันก็กลับมาเกิดในการมาพบแค่เจ็ดชาติพระสกิดาคามีก็ชาติเดียวพระนาคามีก็มาเกิดในอรูปภพหรือรูปภพแล้วก็จะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็จะไปอยู่ที่พระนิพพาน ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่แหละคือคำตอบของชีวิตว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อหยุดการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ และการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามคือการมาตฐานหาภวะตันหาละวิภวะตันหาและการจะหยุดตันหาทั้งสมนี้ได้ก็ต้องมีบารมีสิทมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการมาสร้างเมตตาบารมีทานบารมี ศีลบา ร, รมีเมตตามบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีและปัญญาบา ร, รมีพอสร้างบา ร, ร, รมีเหล่านี้ได้ครบสมบูรณ์แล้วก็จะสามารถหยุดความอยากทั้งหลายได้หยุดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ชีวิตก็ประสบกับความสำเร็จได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพาาระ พ, พุทธเจ้านี่คือคำตอบของชีวิตของพวกเราทุกคน ถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ด้วยการสร้างบารมีกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อยะถ า, าวาเลวาหาปราปะเปุเรินติสาคลัง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 ภราสยทัสสิติทยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีฤิธสนิจจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวทาติอายุวโนสุขัง าาวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาห6ร้อยหกสิบเก้าสามรอยี่สิบเจ็วิทยุออนไลน์สี่ซูมเจ็ดรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันกอเจ็ดครับมีซู m ด้วย <laughs> <laughs> ก็ดีก็พอดีถึงเวลาสามโมงพอดีคำถามทางภาษาไทยวันนี้ก็ขอ ง, งดไว้ก่อนไว้อีกสองวันวันวิสาข์วันวันที่หกนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งไว้มาถามในวันนั้นก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็จะขอเริ่มทางภาคภาษาอังกฤษ